เราได้ <c oughs> มาประชุมกันเพื่อทำการบูชาซึ่งเจ้าพุทธเราทั้งหลายถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรกัสสรูและปริฎิพานซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา เป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้เลิศทั่วมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเลิศทั่วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่แต่ว่าการที่พระองค์ประสูตรหรือตรัสรู้ปริิพาน์ก็เป็นวันเดียวกันหาไดาย้ยากผู้ที่จะเป็นอย่างนี่ผู้ที่จะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าอันนี้เป็นวิสัยของพุทธภูม <c oughs> ิของพุทธผู้ที่เป็นผู้อบรมสั่งสอนสัตว์โลกเป็นวิสัยของผู้ที่จะรื้อสัตว์ทั้งหลายในข้ามอกแองแกลงกันดานวัฏสงสารเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดและ พิเศษไปกว่ามนุษย์บุคคลเล่าธรรมดาแม่แต่รูปโสมของพระองค์ก็แปลกประหลาดประกอบไปด้วยบุคคลิกลักษณะไม่เหมือนคนเล่าธรรมดาอย่างคอมือข้อเท้าของพระองค์อย่างนี้ก็ไม่เหมือนคนเล่าธรรมดาเรียบไปหมดดู ข้อมือข้อเท้าเรียบไปหมดพระสอข้อของพระองค์ก็ไม่มีเป็นบักเป็นลันเหมือนคนเล่าธรรมดามี่พูดถึงพระกายของพระองค์ก็แปลกประหลาดแปลกจากคนเล่าธรรมดาอยู่แล้วที่นี่พูดถึงเรื่องของจิตใจ ที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมบ่มนิสัยหา่านถึงเสียสงไข่กำไ่แสนมหากับยิงได้มากก็พิปปิบัตแต่ตัสรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพธทธญาณนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่แปลกกว่ามนุษย์ธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ถึง พระองค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งถึงพุทธทั้งท่ามั่งสังขงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นผู้ตัสรู้ชอบเองไม่มีใครเป็นผู้เป็นอาจารย์แต่ตัสรู้อริยจะทำทั้งซีพื้นทุกเหตุให้เกิดทุกข์ นิโรธคือความดับทุกข์และมักครอปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่พระองค์ทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองและเข้าใจอย่างทราบซึ่งจึงได้นั่มทำเราเนี่หรือว่าวิธีการที่จะปฏิบัติที่จะให้รู้ซึ่งควอมจริงเ้านี่มาอบรมสั่งสอน แกพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่พระองค์นํามาอบรมสั่งสอนนั่นเด็ดสื่อว่าพระธรำจเรียก ว, ว่าพระธรรมคือคํสาสั่งสอนของท่านผู้รู้คือคํสาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพวกเล่าก็ได้น้อมนั่มร้ำนั้นมาประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่ศีลห้ากรรมบท10บศีลห้าคือการเว้นจากการฆ่าสัตสว์ตัดชีวิต เว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันและเว้นจากการรักเอาซึ่งสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยอาการแห้งขโมยเว้นจากการประพฤติผิดหนกามเว้นจากการพูดเท็จพูดคำไม่จริงพูดคอพูดโ ก, ดโกโหกหลอกลวง พูดคาหยาบสําหรับเคยเจอเลวไหลเว้นจากการดื่มกินซึ่งสุราและเมล็ดอันเป็นสิ่งที่ทําให้สติปั่นเคื่อนเนี่ยกินเขาไปแล้วก็ทําให้เมาไหวหลงลืมหน้าลืมหลังโมรุจับพิษจักถูกบมรุจับดีจับซัวมีเว้นจากโทษทั้งหาย่างนี่ได้ได้ชื่อว่า เป็นผู้ถึงค้ำในขันศีลกรรมบท10ิเว้นจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมสามเว้นจากการขา่าการเบียดเบียนการประพฤติทิในกลรร่การรับเอาซึ่งสิ่งของของผู้อื่นด้วยความระโมโบโลภไม่มีประมาณ นี่เป็นกายกรรม3ว่าจีกรรมสีเป็นจากพูดเท็จเป็นจากพูดข้าหยาบตัดข้อร่อแม่เป็นจาการพูดเพื่อเสียดสีเป็นจาการพูดเพื่อเชืเ่อเหลวไหลพูดหาสารประโยชน์ไม่ได้นี่กายกรรมนี่ว่าจีกรรม เป็นจากโทษ4อย่างมโนกรรมสามเว้นจากการคิดอิดสาพยาบามอาฆาตจองเวน้นเว้นจากการแค้นคิดเป็นชอบเว้นจากการละโมบโลภอยากได้ของเขามาเป็นของตนนี่เว้นจากการคิดพุทธิจิตสามอย่างร่วมกันเป็นสิบเรียกว่ากุศลกรรมบทสิบ เมื่อผู้ได้เล่นจ้าโทษซีบยางนี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของตน <c oughs> นี่ได้ชื่อว่าถึงร้ำนี่ถ้ำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจนำมาสอนนับแต่แตขั้นตำ่ำขัน้นต่ำไปจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดถึงวีมุตดวีพานผู้ผู้ปฏิบัติะจะพ้นจากชาติความเกิดสระความแก่พระญาธิความเจ็บไขมรณะความตายไปจนถึงขั้นละเอียด นี่ในขันตน์โทษเว้นจากโทษหายางหรือเว้นจากอากุศลสิทธิประการแล้วนี้นี่ได้ชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเมือ่อผู้ใดประพฤติธปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงถ้ำพระสงฆ์คือผู้ประพฤติธปฏิบัติตามศา ส, สนาธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ชื่อว่าสมุติสง อย่างพระสงฆ์ที่เราเห็นกันอยู่มีการบวชอุปสมบทด้วยยติจะจทุธกรรมมีกรรมาว่าจา่าจานสวดหรือมีอุป萨นี่มีสงสมมุติขึ้นให้เป็นภิกษุในพุทธศาสนาและก็ประพฤติปฏิบัติตามถ่ำวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามและประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ทรงสร้างสอนเรียวว่าถ้ำอันนี้ได้ซื่อว่า พระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามถ้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อถ้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขวรแก้การรับทักาทิ่หน้าท่านค่วรแก้การกระทําอัญชรีค่วนแก้การรับเครื่องต้อนรับนในเดชวัตพระสงฆ์ตัวเล่าเศร้าพุทธก็มาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี่เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพด้วยกายว่าใจาจิตของเราเมื่อหาว่าเรามาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเรานี่และก็กระทําการบูชาซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้การบูชาได้ชื่อว่าบูชาเป็นมงค์ค้น และทําให้เกิดประโยชน์ได้รับประโยชน์คือความเอิบอิม่มปิติเกิดความเอิบอิม่มในจิตใจของเราในจึงได้เสียอ่าการบูชาไม่เสียผล <c oughs> การบูชาโดยอมิตรสบูช่อย่างวันนี้ที่พวกเราน้อมนํามาซึ่งเครื่องสัการะบูชานี่ดอกไม้ผูกเทียนพอได้มาระลึกถึงพระมาหาการุณาทิพุนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงประท่านพระโอวาทศาสนารรมคำสอนและในมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนารรมคำสอนจึงได้เกิดมีพสงในร่วมแล้วพุทธศาสนาพุทธะคือผู้รูกรูเหตุรูผล ร, ด ร, รผูดีรูชั่วรูผิดรูถูกและละสิ่งที่ผิดเสียและได้นั่้างที่ถูกนั่น มาอบรมสร้างสอนในสื่อว่าพระธรรมเป็นาศาสนาธรรมคําสอนของภูรูผู้ประพฤติธปฏิบัติตามาศาสนาธรรมคําสอนในสื่อพระสงฆ์ในร่วมแล้วศาสนาคือพระพุทธพระธาตุพระสงฆ์ในแกเรตนาทั้งสร่วมการเข้าเรียกว่าพระพุทธศาสนา พระพุทธละเอียดเขาไปก็ในใจคิตใจของเราคือพุทธคือผู้ลูกคือคิตใจของเราีาธธาาเรา่เรามากถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่สักการบูชาเมื่อการกระทําบูชาแล้วก็จะย่งพิติให้เกิดให้ อ, อบอิ่มในคิดในใจจัดได้ซื่อว่าเป็นภูมิมองค้นและจะเป็นอานิสงสนับสนุนคิตใจของเรามาให้สาวหมอง ในจิตใจไม่สมองก็เรียอว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าจิตใจสมองก็บาปเป็นบาปปาปธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท <c oughs> มีคว้คขามเคารพคอนน้อมต่อสิ่งที่เราสักระบูชาต่อสิ่งที่เรานับถือว่าเป็นาศาสดาและเป็นคำสอนที่ถูกต้อง มีความเคารพด้วยกายว่าจาใจแสดงออกทั้งกายแสดงออกทั้งว่าจา่าโดยการกล่าวสรรเสริญแสดงออกทั้งนามใจโดยความนอบน้อมไม่ร่วงเกินสิ่งที่ส่งห้ามนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้